มีแต่ชื่อตัวจริงของมันยังไม่มาถึงปัจจุบันมีไม้มมีทั้งชื่อมีทั้งเขามีทั้งกระทั้งหนังเหแค่นั้นทำท่าไรจึงเน่นลงมาในในปัจจุบันถ้าไม่เน่นลงมาจากนั้นก็ไม่ไม่มีหนทางที่จะปฏิบัติ ป, จ, ป, ปจุปปจุป น, นันจะอยู่ธรรมะผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งางแง่งคอนเคลในทางพุทธศาสนาเลย จะไม่สงสัยว่าพุทธศาสนาด้วยจะไม่กล่าวตู่ตนด้วยจะไม่กล่าวตู่ข้อพุทธศาสนาด้วยจะไม่ขี้เกียจด้วยจะไม่ลังเลด้วยจะปฏิบัติง่ายด้วยจะไม่ถือเป็นของลำบากด้วยจะไม่ถอนศรัทธาด้วยเมื่อเชื่อในปัจจุบันจะเชื่อในปัจจุบันด้วยจะยอมพิจารณาด้วย พิจารณาสิ่งไหนก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นอยู่ในอดีตอนาคตถือว่าสิ่งนั้นมีในปัจจุบันไม่ใช่พิจารณาลมลมแรงๆนะพิจารณาดินก็ดินก็มีอยู่ในปัจจุบันพิจารณาน้าน้ําก็มีอยู่ในปัจจุบันพิจารณาความเปื่อยเน่าความเปื่อยเน่าก็าา ม, ain, าา ม, ain, มีอยู่ในปัจจุบันพิจ า, ารณาสีสีก็มีอยู่ในปัจจุบันพิจารณาสมาธิสมาธิก็มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่กับที่ไหนมีอยู่กับที่สติและปัญญานะสติปัญญานั่นเองเป็นตัวสีสมาธิปัญญาหนัก สติปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเป็นตัวบุญที่ลืมสตินั่นเองที่ไม่มีสตินั่นเองเป็นตัวบาปนะถ้าเจาเราจะไปเรียนพระใจรปโฎกครับครบหมดเทศให้คนนั่นฟังอยู่นั่นคนนี้ฟังอยู่นี่คนนี้ฟังอยู่นี้เทศพวกให้คนไหนฟังก็ตามก็มีจุดประสงค์เพื่อ้คนทุกเนวทศสามก็มีทำ ม, มีวิเลยอันเดียวนั้น ทำใละบระบาดเขาแปมนสี่าทรมคขันหมดชาตรพิทุขาชลาพิทุขามันทพิทุขามกขาโคต0 0 0ดสีาทำมคขันหมดแล้วจะเป็นสีละขันสมาธิขันปัญญาขันมุตติขันนิมุตติญาณทัสนคันทั้นั้นหะนั่นโมตัวเียเขาโคตรแนสี่เขาทำมคขันแล้วนโมแปลงน้อมน้อมน้มีสมาธิปัญญา นอ่นเมี่ยถ้รทโลกุตระนับแต่โสดาวันเป็นต้นไปจนถึงพระราหันนั่ น, นคือทังสนางคาฉาพิคำเดียวก็แปดหมื่สี พ, พรรันเราการแล้วแปลว่าใจสนะคมคมในพระโสดาวานันคมในพระสกทาคามีคมในอนาคามีคมในพระาราหันนั่นทั้งขโหลงมาเป็นหนึ่ง สังคหาในอนันตะระปัจจัยนลงมาให้อาหาเอกะปัจจัยอนันตะระปัจโนะปะจัจจยชาัางสัมปยุติกานันจะธรรมานะอนันตะระปัจโจนะปะจัะปะจจยยลงม า, า, าปัจจุบันนั้นละ นี่ว่าคตรอ่ะต่างตื่นติวไว้รองรยวรองหองปัจจุบันซึ้นเดี่ยวผู้ปัจจุบันผู้ที่เห็นผู้ที่เห็นอดีตผู้ที่เห็นอนาคตกับผู้ปัจจุบันอดีตเป็นยังอนาคตเป็นยังอดีตเป็นในท่านของปัจจุบันที่ลรองมาอนาคตมีท่านของปัจจุบันที่บพอนไปถึงนั่นปัจจุบันทังหลงเงาเจ้าของก็คือ เปนไปเทิง่งมองเห็นแสงไฟอันเดียวออกข้างฝุ่นอีกออกข้างฝุ่นอีกออกขางฝุ่นอีกออกข้างฝุ่นอี ก, ออ ก, อกตัวจริงมันมีแสงไฟอันเดียวใตาอยู่นี่ น, นี่าเทียบใไปโอ้ดากระจกนี่ไฟอันเดียวเป็สองดวงสามดวงสี่ดวงนี่กระจกตะไลแห่งเป็นหลายดวงอยู่ในห้องแอของอาบนี่พี่หน้ามังเทียบกับวิปข้ า, าวผาหน้ามันอันเดียวกัน นั่นนั่นเฮ้ยมงึงก็ตัวรับออกของพาไปกินแล้วบอกเฮ้ยนะ่นมึงรู้นะเ <c oughs> อาไว้พอดีเลยเฮ้เอินมันเป็นอาจารยดด์โวดเนี่ยพวกไม่ออกเหรอคงไม่ออกเอาของมาดีบอกคนเอิญคนว่าเอาไว้ดีอาจารย์ตัวนี้เอาไปกินได้เนี่ย<ช>คิดจบรือเปลา เนี่เพ่งเอาเกือบนังไปพอดีนึกว่าน้องผืนอผน้ำหลวงปู่ขเมผู้ชัน ม, มั น, น เ, เ, เ, เ, เน่เพ่งเพ่งปรัชเพ่งต่ำงเพ่งหาหอดไปยาข้าผลหาไป า, ามานเห็นมาขาบแลนท้านไงเพราะขับแลนแบได้แซ่แลับได้ขอคุมหมายทั่ววัดระบาดีงหลวงปู่ ม, มันหัวห้ยเนี่นเพ่งเจ้าจะไปคุมมาเห้งอาจารย์เจ้าตัววัสดมือแรกเเจ้าหา ไม่ไปทำวัดมั่นไว้สเพราะผมสิจำสชจื้อดอกคลรับไม่ว่าจั้งชันเสียงไม่สันผมจะเอาไว้สูงสูงอยไว้สูงสูงนี่ผมงอก็ะท่านอาจารย์เลี่ยไมว่าจังชันไันไปคุ้มหมาตีมาเลยบ่ได้ลงพู้มาให้โลดควมคือเท่าบ่บนเนื้อมัน อันนี้คือกาหมดอย่างเงี้ยยุ่งนึกอนไตีมันพัวพัวตาแตกพ่นเห็ดมุ่งอยู่ตัวบเห็นบอกตกมันผัวผัวอยู่พ่นเอาพ่อยอะไรเอาดอกจะตบยังเห็นมันกับโบมันกับ่บบริสุทธิ์แล้วสินเฮามันก็ด้างกัพ่อยขาดตบผัวผวอยู่เฮ้ยผมภาวนาภาวนาโยงมาการตบผัวดิ เม่เล่าไม่หน่อยลงหน่อยลงเวลาน้อยลงน้อยลงจวนจวนแช อาสนกรรมกำเมื่อจวนเทียนถือว่ากำเมื่อจนเทียนจนเทียนจะตายถ้ามองเห็นความตายจะมาถึงเข้ า, าข่าชวนเทียนก็ชวนเทียนทุกๆ ท, ท่านคนหนุ่ม ก, ต ก, ต ก, กวว็ตายเป็นคนเฒ่าก็ตายเป็นนี่ก็เรียกว่าจวนเทียนนะเว้ยตาเป็นเจ้าพูนเฒ่าใครนะบ่ จะจวนเกียนเวลาไม่น้อยแนี่ว่าเวลาไม่น้อยขันใจเขาวงรูก้นไปกลานใจไปวงรูสิ่หลนปันไหนนัน่ะนะเวลาเวลาไม่ถัเวลาเขาซีม่ถน เเฮ็ดถโตเฮ็ดดีก็เฮ็ดถโตบริสุเปียบผู้ใดเฮ็ดชั่วก็เฮ็ดถโตไอ้ถือเฮ็ดถผู้อื่นเหลันก็เฮ็ดบ่ลงแล้วเสียเปียบัวสสิ้นสุยาวไมาเฮ็ดถวโตเพืตัวเอฮ็ดดีก็ไ่เฮ็ดถโตเฮ็ดั่วก็ไม่เฮ็ดแถวโอ้ยถือเฮ็ดถผู้อื่นนู่มันกันเบ่ลงอคือกันแล้วข่มสิั่วอย่างแต่พันดีตัวพันบุ์้ใดดีสบ คือเขาว่าัำผู้ขาใช่ไหมเจมูห้องโมเยต์คนท่าไอ้ไต้ยเขาเป็นคจรว่มูห้องบุญหลายแล้วสิเขาบ่เฮก็ไม่ผู้บรเฮไผมูห้องบุญหลายดอไม่ผู้บริเฮคนทาไ้มูห้องไต้ยคนทาต้องมีได้บุญยอนเฮาด้วยวะสิมูห้องบร้เฮเกิดไต้งทีวะสล้วว่าหวยสโลวสั้นก็ซึ่งเป็น้วอืย มงห้องไ้สางบนะีพระพุทธเจ้าเขามีผู้สอนเ่าอกว่าจอคำบอกของท่านก็พระพุทธเจ้าก็เป็นขีขาห้องกันแล้วก็สะว่าจะชุดเป็นบมดไม่รู่าศาสนาบอกสร้างออกไว้นะเขาบอกออกเลยเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำหนทางก็มีผู้ผู้มาทำให้เรามีบุญว่าสนะมากเขาพูดอย่างนั้นไทยชนะมันก็สุดไม่เป็น เราไม่ได้สร้างบารมีเป็นพระสมานพรพุทธเจ้าก็มีมีผู้มาสอนเราพระสมาสพรพุทธเจ้าก็เป็นชีค่าเราสร้างบารมีมาสอนเรามันก็ชุดมาเป็นท่านพูดอย่างนั้น ฟูมันไปบินท่าบาทคนเห็นน้ำเลิคนบริการไปซื้อห่าเลยคนเที ย, อ อ, ยออกสักกอนนี่ขันขวดแก้วอันนคนเห็นมันเป็นตะป๊ร์ตี้มันก้มจีป๊๊บโหลดนี่กับบ้านกระัง ่พอเยิบได้เยป๊อปโหลดเพลามาไล่ตาเสือๆมอเห็นคนหรอกเชีย่ยวคนเชีย่ยวออกทางนี่าวัด น, นว่าเหมือนกันนมุ่งห้องไปห้องไปแย่งดอกประวัติตู้ชิคาคนาุ่งโบตก้ชิคานุ่ห่วงไปแย่มันยงนังตัวเป็น บ, านบน้าบอกเขาจาออกหอ ก, กว โโกินเขียบมันเพิ้มลวบปรีมหาเพิข่ขาไปซอยมันเข้าเยาวชนไทยไปทำไมมันอยู่ใกล้ๆนินว่าสิถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไปส่วนนะึงแต่ซอยมันกันซอยอะไรต้องคอย ว่างวยไปันพ่อซอยว่าได้กยึดซอยมันจะมันม้วนหุมหลอกตาบ่อไปซอยคว่าพ่อซอยได้ก็เลยว่างอุเบกขาอันนี้ก็อุเบกขาเมื่อนก็ใส่บ่ไรกันาพ่อซอยไะไจังซอยมันบอกเป็นตซอยไรได้มันขับไปเลึกเลยก็ปนซอยว่างจังไปซอยท่านยคะนกเต๋าเอเอฟเอฟคำว่าสัไป เท uh so <people> bon ี่ยวหาอะไรงูออก้นมึงนีง่สุภาพ้าวิว่ะล่ะโอ้ยบออันวาันมันเห็นด้วยก่เหนเนาะใส่กระตือเข้มากไปเที่ยวหาทรัพยากไล่งูละบอสะเอาบุญทังนั้นปฏิวิว่าบอบองสันที่มันพ่านมาสดยไก่ทั้งดเนาะโเดลีสพาะรเพราะว่าข้าพเ้มันยัน ยันไฮรูดมาส่มันจังบลับเอียงมาสั่ข้าวให้มันไม้ขามับอกงูยันไฮรุดไม้าวมบอกกบบกเขียดวยาั่งมันจังบลับเอียงมาสี่ีบ้าเน่ยมันบวมแย่นตัวเอาข้าวถัมันยันไหรูดมาสั่งมันจังบลัเอียงเมอนอันวิสาอันบ่อน้ำตัวบ่อน้ำหลวงภูมิหาภิตวเอาซีวิทนูดไว้ตัวหนึ่งละอยู่บนน้งนำเข็มกว่าตาไปกว่าตาไป่งูตัวท่อกัน ตัวท่อกันมีขนาดนี้หละครับหัวป <tr> ั <sushi> ๊บนี่ไปหางเกี่ยวฤทธิ์เลดกลืนมุดจะปุ๊บขาไปในท่ออ่ะหัวคือออกซิเมาสารดีเท้ถึงควบขวดตาด้วยกับทิ่มคันตาดวงตังเองสอละแต่กาหลังมันไข่จ้าออก ข้าเจ้าออกตัวนั้นมันเข้าไปในทองเอมตามันมัวมงงี่ยมนงเี่ยงเียมั่ยดําตงขีดดินไงดินริมขอบขอบปัสตาันเป็นดินหลวมๆขอบมันปัสตากุดงูเลื่อมอ่ะเลื่อมผักผักผักผักโอ้คอยบมาๆนี่แล้วมันจะตายด้วยนะส่งมันหนีย่างตัวนั้นขึ้นมาเล่มอีกส่งมันไปมันอื่นเ เคยได้เอาที่ใหม่ๆดูเนี่ยเพราะมันเคยมันมันล่งเห็นนี่ครับเนี่ยมันมันเหลือใสจังบ่อซอยโอ้ก็มือมันก็บว่าหลายแล้วพระวานาถโตมไม่ได้เอาหลไรดี บ, ร, ร, ร, บริกั บ, บ่พ่อขอบอยู่เข้ามาหน้าเต้อบริกรับให้อนี่จากบริกรรัรก็มุล้อมารวมมาางพี่น้าติดต่ อ, อยู่หันยำอยู่ก่นฟักลาบเนี่ยมันจังยูเลยขนช้ำหนาเ น, นี่ยมันยูอยู่ดอกมันสิร่วมจริงจริงหรือว่าจริงจริงาสร้างขอให้ไม่สติกับสัมชัญญะอยู่หันอีกาดล่ะ ปัญญามันเกิดเองเนาะไม่ต้องไปแจ้งมั่งแต่มันวัยอุปัญญคเขาเพิ่เกิด เห็นโลกทั่วคณะจิดเดียวไะเที่ยวรอบโลกคณะจิดเดียวนะ ไ, วนวนะไม่จะไปยา่าไปทั้งปัญญาเห็นดินคณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกจะไปได้ดินเห็น น, น้ำคณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึ่งเพราะโลกจะไปได้น้าเห็นไฟคณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงพรโลกจะไ่ได้ไฟไฟภายนอกเไฟไปอีกอกิเลสกับไปอีกเรื่องหนึง่ง เ่มขนาดชิ้นหนึ่งก็เห็นรอบโลกโลกเต็มไปด้วยลม้มเห็นลกระดูกขนาดชิ้นหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งโลกเต็มไปด้วยห้างกระดูกมนุษย์โลกหรือสัตว์โลกที่มีวิญญาณของสิงเต็มไปด้วยล่างกระดูกเห็นหนังขนาดชิ้นึงก็เห็นรอบรอบหนึ่งโลกเต็มไปด้วยหนังดินนาฝ้ายล้ม ผมขนเลบฟันนั้งหน่อยเอ็กระดูกเรือในกระดูกมามห้ยใจทับพังผืดแต่ปลอดใส่ไงใส่หน่อยอาหารไว้อาหารเกา่านี่เป็นโลกดินนี่เป็นธาตุลินนี่เห็นธาตุรอบนึ่งขึ้นกั น, นเห็นโลกรอบนึงขึ้นกันเห็นถ้ำรอบหนึ่งคือลูกประถ้ำคือลูกกรรมฐานตั้งานไว้ในรูปฐานะแต่ว่าที่ตั้งตั้งไว้บนเพง่ง ตั้งงวาดินก็เป็นกรรมฐานดินตั้งงวายนาเป็นฐานน้า้งางวาสงค์เลยฟันนเนื้อเองกระดูกเป็นกรรมฐานดินทั้งนั้นแหละเพราะเป็นฐานดินพราณ า, าเพื่ อ, อว่สงสัยโลกขันว่างัยว่สงสัยโลกมันกระสือว่ามาเกิดในโลกส่นตัวมันสงสยัยมันก็ะสืมากส่นตัว กูเห็นกระดูกมัน่องแหงอะโลกคอนสันมี่จะแก้จะเก็บตะตายดอกคอนสันไม่กระตินายท่นตัวมันก็บมมาอ่านตัวเห็นหอด้๊บหอด์ฟอดคนในโลกอันนี้เต็มไปด้วยแก้เก็บตายเต็มไปด้วยข้อมมหมันบะเทียงเต็มไปด้วยสิ่งผสมะส์จักเม็ดกูว่ากไปบ้างอีกดอกถนันตัวแต่มันเห็นก็คับแต่มันเห็นก่ะคักมันกับหมาอย่ชอบเกาไงน่ะ ไฟ่ท่าหัวจักมันห่อนคับพระิอยากไปจับเป็นไรจะมันหลงจมันบ่เห็นพระศิษย์อยากไปเหยียบน้ำหมด่าหัวจักมันปักคักๆพระศไปแล่นไปเหยียบมันอันนี้คือกันท่าหัวจั๊กคักคัเห็นโทษมันคักคัเห็นโทษตอนนั้นกคักเห็นคุนตอนนั้นแ่ะพราะเขาบอกไปไกลตอนนั้นถือว่ามันไปโทษเขาเขาบ่ยินดีน้ำมันเขาบไปไกลเลยเขาเห็นขุนนั่นเอเห็นคุนเห็นที่เขไปไกล เห็นโทษในเหล่องในพราในวัดในเบอรนเข้า่าไปเลนเขาเรียกว่าเขาเห็นคุ้นะครับเนี่ยเลามีคุ้นะครับเข้าไปเรียนเข้าไปเห็นโทษมันคำนี้จะโทษหรือยู่มันจะได้คุ้นมาใสมีได้โทษเอาใบายมุกถูกปะเก็ม่ได้โทษมันมีคุ้นมาใส่เขาก็จะอง่แล้วถือว่ามันมีคุ้นสร้างสางี่พาะอยวอดตัวหันหมดคน ท, ทีน่เราคนซ่านตัวข้าไปบัญญัติเอาตาม อ, าตอมัตโนมัติเข้ามันจะ่าพกันหาไปจนบาลีเองละเสมอ มอด่างปิ้งเนียปิ้งเี่ยมีเงินหลตาลเีฟ้าลานักเห็นบอกมืเขาเจ้าลมมันมีผู้ใดแกอายามุกมุกขาหมุกขาแปว่ามันจีพายสิงหาตะปามือห่อเาไปพุทธมามกะธรมามามกะสังฆามามกะพิชุสมาเนนอุบาสกอุบาสิกาคนละเวนสุมนี่สัาเนนอุบาสกอุบาสิกา ของรสัสสาวะสังโฆทิเกอาผู้รักษาศาสนาภูฏบเวนมุนีเสียผีตัวได้บาเวนลสันพิชุ ส, มนนสัมมณรโนบาโกอุบาสิ ก, กาโ่ต้องการไปสไรรวรรคนี่พานเต่ยผีตัวได้มาต้องการเรื่นีสนนน้สัสนนันกพิชุสัมมณรโนบาโสอุบาสิ ก, กาเพาะยินดีปฏิบัติพระพุทธศาสาานาเสีผีตัวได้มาปฏิบัติปปส น, น, น คี่ชุสนี้นุบาศกุบาศิกาบึกษากรบศักดิ์ที่การรักษาพระพุทธศาสนาแตผีต่อแรกมารักษาบศักดีน่นั่นคือสมัยนีบ้บาศกุบาศิกาบตักเตือนกันแตผีต่อแรกมาตักเตือนกัน น, นั่นไปเอามากไปงอาม า, น, ออ า, มานี่ของเก่ากันแล้ว ต้องแตกสามอีกับม ok okay. ังกรนี่กุบบาทศรกุบบาทศกากับแตกมังคุดพุทธะเน่กัแตกสามอคีกับมังกรนี่ก็บันไล่กันทั้งสองทางน่ะอลงสันว่าเจ้ดีประเทก็ดีไปคอยว่ไปว่ากุศาให้เจ้าดีประเทก็ดีทำไมคอยว่าไปยบาทให้นั่นสาเก้าหันแล้วแตกกันมังกรกัมันจะเปลี่ยอไปน่น สามัคคีกันไปทางดีก็ยิ่งดีสามัคคีกันไปทางขั่วก็ยิ่งต่าลงนะแม่งมันเขียวมันกัสามัคคีกันจีนู้นิงคูนแม่งพูนแม่เงเผิ่มกันสามัคคีกินเสียสวนออกใหม่ก็พุทธศาสะนาะสามัคคีกันไปว่าคนไม่พ่าน ทำงานที่ชอบสรรมะขมันตงานที่ชอบคื อ, อยังเนื่นจากฆ่าสัตว์ทรัพย์ประพฤติในกลางเยื่องธรรมะขมันตัวหนักมะอาชีโวเรื่งองชีวิตในทางที่ชอบในเรื่องชีวิตในทางที่ติดธรรมาวายามโมพยายามชอบพยายามชอบพยายามอะไรพยายามละบาป บ, บาเพ็ญบุญ สังวรรัปทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานปหานประทานเพียรละบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษ์นาประทานเพียรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี่แหละเป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนความเพียรสี่อย่างนี้ย่นลงเป็นสองเพียรละบาบบำเพ็ญบุญหนึ่งนั่นบาสกุบาที่กล่าวไปคือสมเด็จพระเพียรแต่ผิดแตได้มาเพียรนั่น มาสองวันท่กาทคุณสมาเรีบริเถึงคุณบางคนพระธรรมพระสงฆ์แต่ผีต่อได้มาบริเถึงสันนั่นออกไปเนี่ยพระสูตรพระเวนไล่โอ้เนี่ยพระปรมิท่านใจพรเฮ็ดดีใ้าจะของแส่ผีต่อได้มระเฮ็ดใส่สั่เนี่น ใจบุักดีบุเหตุขมดีใสจะคล้องไอ้ผีตัวแดมาเหตสาก่นนั่นขอทังปาระมัดใจบุหวังข่มเจริญใสียจะคองไอผีตัวแรกมาหวังข่มเจริญนั่นใจบุหวังจะถึงวักผลในพลานไอ้ผีตัวแดมาหวังสัมผีตัวแดมาเหตสัมนั่นใจบยาะแก้ใจ กันใจว่าใจสลัดดีแล้วเปยังจังวหายสลากาโทษสามหมาไปวมามีอยู่สัว่าโถวววหายจากราคาโทษสามโม า, ไ ป, า, า, า, า, มมาไปบินตะบานเน่เขาเอาอกคนตกซิวใส่บังรู่หันยานจะคู่เขาอยู่ตะบานดวงมุ่งเฮาที่งอเหงนมันเขาใส่บงังล่มึงไม่จักกูหรือนะน้องมวยกัคือกันเนีน่ ตาบอดจูงกันร่วมลุกทุกขานไปทำชั่มสูงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นคร้อมกำลมหายใจเขาออก เพื่อจะสอนอุปทานไปในตัวพิจารณาอะไรก็พิจารณาหมดแล้วเห็นแต่ความไม่นเสีออย่ยงเป็นทุกข์เป็นในน้ำตาที่เด็กก็ปฏิเสธไปแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นถ้าก็ลงข้าใสเขาออกเห็นแต่สักว่ารูปเป็นไั่สักว่าเห็นไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้เห็น เห็นแล้วก็หายไปรู้แล้วก็หายไปถ้ารู้เกิดดับเป็นไหมมันก็เกิดดับเป็นเหมือนกันยิ่งดับเร็วยิ่งเกิดเร็วดับเร็วเป็นรอบๆคิดนั่นเปสักว่ารู้เป็นสักว่าเห็นเป็นแต่สักว่านึกเป็นแต่สักว่าคิดเป็นแต่สักว่ายืนเดินนั่งนอนรับตื่นไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่า <c oughs> สังสามเจ้ากองทุก ความอามณ์ให้แเขาออกเราก็จะไม่ยินดีในโลกทางปงวงเราก็จะไม่ยินดีในความยึดถือเราก็จะไม่ยินดีในความหลงของตนเพราะู้เท่าทานความหลงแล้วความหลงก็หายไปโดยในพระธรรมถ้าพระเจ้าเป็นผู้ฉล า, าดมาแล้วถ้าพระเจ้าเป็นผู้หลงถ้าพระเจ้าจะทาลาท่านผู้ฉล า, าดแต่ละความหลงก็ไม่ได้บอกไม่ได้ลาเหมือนกัน ในข้าพระอาทิตย์สองมาพระอาทิตย์สองมาแล้วข้าพระเจ้าเป็นผุ้มืดมข้าพระเจ้าจะลาท่านต่ละมืดก็ไม่ลาพระอาทิตย์เหมือนกันเลวพารันช่วรับอยู่มือเดียวน ะ, ะก็ตัดมัดตัดผลชั้นใดๆก็ตามก็ชัวรับอยู่มือเดียวชั้นโชดาวันก็าตามช่้นสัพพะรามีก็ตามช่้นอนาคามีก็าตามชั้นพระหานางก็ตามก็ช่วรับอยู่มือเดียวเหมือนกัน สิ่งที่เรายึดถือมันไม่เกลังยั่งยืนที่นี่เราก็ขี้เกียจจะยึดถือมันเหมือนกันนั่นระวังพึ่งมันมันก็เกิดขึ้นแปลและดับไปเไปแล้วจะกระชื่งอะไรมันอีกหวังพึ่งสังขารสังขารก็เกิดขึ้นแล้วและดับไปเท่านั้นนั่น ชาจิตของเราไม่เหนือสังขารเนี่ยนน่ไม่เหนือความหลงของเราแล้วเราจะเอาสุขมาจากประตูไหนีนี้นั่นยังเป็นท่าข้าเป็นทาาความหลงของตนอยู่ความสุขกะมา ม, มาจากประตูไหนจะที่หลังย่างยืนด้วยวิธีใดนั่นข้ามขอนไม้มันข้ามง่ายข้าความหลงของตนเองข้ามยากง่าย ข้ามความหลงของตนด้วยวิธีไม่หลงข้ามความโง่ด้วยวิธีไม่โง่มีความหมายอันเดียวกันข้ามความขี้เกียจด้วยความหมั่นมีความหมายอันเดียวกันข้ามความมุทะลุด้วยความไม่มุทะลุมีความหมายอันเดียวกัน ข้ามความเกิดแก่เก็บตายด้วยความไม่ยินดีในเกิดแก่เก็บตายมีความหมายอันเดียวกันข้ามโลกด้วยความไม่ยินดีในโลกมีความหมายอันเดียวกันติอุปสมสบสงบใจจาวสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความสงบวิทยาบทที่ฉันทะรักไขในสิ่งนั้นวิริยะเพียร ม, มาประกอบในสิ่งนั้นจิตอาใจส่ไยในสิ่งนั้นมีบางสามหมันติตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ขันธ์พพอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปริยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึดต่เอาใจสักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คนที่อย่างนี้มีบริบุรณแล้วอาจจะนําบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประงสงค์ซึ่งเหลือวิสัยนั่นอันเก่านั่งนี่คืออันใหม่เงินคืนของผู้มีสติดีนะวันพื้นของผู้ไม่นอนใจดีนะ วันวันคืนของผู้ตื่นหนึ่งว่สติเป็นวันคืนที่มีค่าเป็นเวลาที่มีผลแค่นั้นเราจะได้กินมากแค่นั้นเราจะได้นอนมากเออเมือม่อพบธรรมะแล้วอย่างนั้นแค่นั้นเราจะได้รับตื่นใหญ่จนถ้าข่มเหงมันมันหลับพอดีมัน ผมเห็นให้มันหลับมันก็ไม่หลับพอดีมันพออนุรุทธะยี่สิบ้าพรษาไม่หลับเพราะท่านเพ่งอาโรโอกะกาศิงเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์จำสัญญากลางวันไว้ทำจิตให้สว่างเหมือนกลางวันทำสัญญาความจำเหมือนกลางวันท่านก็เลยไม่ง่วงนอนยี 24, ส่สิบสี่พรรษา ฝันุรธะเหตุฉะนั้นจึงเข้าทานได้โดยรวดเร็วเพอถิ้นมิทะมันง่วงเหงาเข้านอนไม่มารบกวนไม่ซึมไม่ง่วงมักจะเพ่งแสงสว่างเปน็นอารมณ์ทำสัญญาทั้งสติเหมือนกลางวัน จำรสชาติของกลางวันได้เพระนุรุธะเห็ุฉะนั้นจึงมีง่วงนอนมามากกินมามากนั่งมามากพูดมามากนึกมามากคิดมามากนี่แต่เนียสิ่งที่มาก แกมาแล้วนึกก็ไม่อร่อยฉันก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่อร่อยตื่นก็ไม่อร่อยเดินก็ไม่อร่อยนั่งก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่อร่อยตื่นหมดแล้วกินก็ไม่อร่อยถ่ายก็ไม่อร่อยฝืดพะอุจละก็ฝืดปัสสาวะก็ฟืดนอนก็ฝืดปวดตะโกนั่งก็ฝืด พูกก็ฝืดทุกข์ทางหลายเป็นยาวิเศษมันเป็นเหตุให้เค็ดลาบในวัฏตสตงสารทุกข์ไปเล็กเล็นอ้อยทุกข์ไปกินไปถ่ายมันหลอกให้หลงเยอะทุกข์มาอีกเท่าเอีกยูณ ทุกอิงอามิตทุกอิงอามิตไม่ใช่อิงมรรคผลไม่ผ่านทุกในพระพุทธศาสนาทุกในโสวรรค์วันสักษาสามีนาสามีอรหันต์ทุกในพระศาสนาก็ทุกเพราะต้องการพระสวรรค์วันสักษาสามีนาสามีอรหันต์มีท่านทุกในพระสดารวันทุกในในพระพุทธศาสนา ทุกเพราต้องการพระโวสดาบาลพรกษาตริยามีนาธรรมยีพราหัสมุกเพราะถึงพระสัสดาบาลพรกษาตริยามนาธรรมยีพระราัสนทุกต่ําก่อนั้นลงมาทุกต่ําก่อนนั้นลงมาพระพุทธศาสนามายืนยันแล้ไม่รับเข้ามาในบัญชีด้วยนั่นถ้แก่เขากวนเพราะร้อนหัวออกเขาปั่นกูตอกมันรุบเขากวน ร่ำเมด่อคืนก็ บ, บ่มีก่อนเกาน่านาเมะเถาเออยันขวานเมื่อาากอันเดียวกันพกเกา่าเมื่อไรพบไม่เขาอกอยู่มบนนี่นเฉพาะเก่ามัดคนเพี้ยมันเกิดมันดับน่เอามาบอกเกิดขึ้นแน่แปลปวนแับไปเป็นสำคำนั่นเองพี่แกนะาให้มันมากพี่แกน่าห้ยิ่งเธอทั้งหลายจงพี่นะห้ยิ่งเนื้อพาวิตาพระคงรีกรตา ทำให้มาสังวัตรันทิอภิญญายะนิบานดายะจะปูธยาท่าทนทั้งหลายจะถึงประนิพพานต้องทำให้ยิ่งนูง่พระบรมศาสนาเราทำให้ยิ่งแล้วท่านทั้งหลายยังไม่ทำให้ยิ่งจงพี่ยากให้ยิ่ ง, งถื้นความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัดตสาสงสารหากจะมีมาแก่เพราะท่านทั้งหลายเลยนะ ตรงลงทุนลงแรงพิจนาให้มันมากเนอะที่เราบอกเราสั่งเราสอนไว้เนี่ยนั่นพุโทโธพุทโธสองสามความแล้วก็นอนตึงเลยหลับเลยืงเจ้าพระมามาพระวนาเดชเจ้าพระยาว่าเาาอาไปข้องมันมีคคยครบเลยครบแปดเมือนที่พระธรามขันท์หมดทุกคน ไ่ได้ยืมผู้ใดเลยกรรมฐานไม่มีผมคนละที่เอากรรมฐานอะวรมาพี่แกน่าเอามาทมเอาผมก็ บ, บริยืมผมผู้ใดเอาค้นก็ บ, บริยืมค้นผู้ใดเอาเล็บก็ บ, บริยืมเล็บไปเอาพุโทโธก็ บ, บริยืมพุโทโธไปเอาความตายก็ บ, บริยืมความตายไปนั่นทั้งไปทั้งมัน่นมีอยู่ทงยามโอโรดเอาย่ามใดในย่ามนั่นโอ้ยเสียไปแล้วพุโทโธเราไม่เห็นข้อมือเสียไปแล้วห้าง ก, กระดูกกระโมี่กระโบเมียน ควาเกิดความับก็มาเห็นเชืมมีหน้ า, าสัตว์กับผลมะนม ม, มีอยู่อันนี้นทุกครั้งอนาตาก็จะจะยึดทีพได้ขงมะเอียยุบกับกายกับใจนั่นพอเปยนาวกจะยุบกับกายพสารทินเนไ้ลมยุบกับ ก, กายพอแก้เก็บตายก็ยุบกับกายันนั่นที่จะหน้ากันอย่างนั้นมาจะยืมผู้ใด บ่ดได้เซ้าผู้ใดจะนอนพี่จะน่าก็ได้สะ น, นั่งก็ได้นอนวาพอมันนอนมาหลับดินี่นอนมาท่า น, น, น, น, น, นพ่อสองสามหน้าที่เลยเอื้นหาพอละพอพอพอก็พ่ดได้แล้วพอหนาเอื้นอนนะพ่อแม่ ผมว่าคือว่ามนยำปากจ้วง <c oughs> จ้งวงพุทธพ้น์เจ้ามันมีเวลาเวลาไม่แกงวันแง่งคอนแคลนพระพุทธเจ้าถ้าแกงวันแง่งคอนแคลนมามากก็ภาวนายาก ถ้าเก็บป่วยมากๆก็ภาวนายากถ้าโตขึ้นนี้กําลังนําเก็บป่วยปีหนึ่งเก็บป่วยมากตีงกับอะไรเป็นบกไหมพิบ่ายิ่งตีงเมื่อไรปีนะยุคุดหลังนั้นตีงกับอะไรอยากตีงกับตีงเมื่อไรพริกกับอะไรบกไหมอีกย่างไข่ยังรู้แน่นอนหนาวกับหนาว พี่ยังน่าทุกข์เลยนะบานี้บริกรรมทุกทุกทุกทุกทุกทุกข์ขาบ่อลีดจะเี่ยนบ่ขลุกคนข้างบ่เป็นทุกข์กระสางสังขารันเป็นทุกข์ก็สัก็พี่ยน่าสังขารที่ว่าัที่เอาทุกข์านผ่าหนอแ่เอเอาแล้วถือว่าโตเป็นทุกข์นหอสัขันบ่ถือว่าตเป็นทุกข์ก็ถือว่าสังขารทุกข์มันจะไปยังหรอกพี่ยังาพี่เหรอว่าสัเสียงจับของกทุกทุกทุกข์้นี เห็นผู teacher, ้บริกรรทุกทุกมื่เกิดต้นรับเปิดวทุกส์ไปเที่ยวจะตายแดดงับงับงับงับเพื่อใคร่ะคิดรบไปเี่บานนี่เม็ดอ่อนซ่อนท่นจักว่าหล่นมาไหนบ้างเม็ดอ่อนซ่อนผมปรากฏยิงบานนี่ไม่สามารถที่จะสอบไปชักเมื่อจะโพลู เรเห็นหอดกายบานปีน like ัเก็บยูปุ่นลังน่ะบ้าทนห้ามไปุ่นูดลังเมื่อท่านห้ามไปุ่นบ่าน่คนเดินมือง่คนจูปลังน่้วก็โดนมาแล้ว่าถอนออกมามันเจ็บมันปวดเพาฉันซับเก่าถอนออกมากะไรน่ะมันกได้ซํานั่นละของไปรีผมงปตท มาซักมาล่ะลบซ่าบุตรสู่ใ <c oughs> ้ซับนั่นแหะสมาธิาาอะ่รสักล่ะฮะเพราะไม่ได้อุบายใ น, นสังไงไม่ได้อุบายกําร่างกายแล้วกับร่างกายมั น, ม น, ม น, ม น, นกน็ไม่ไะไมันนับเง้นเท่าดิ่งกับร่างกามันสนิทมันได้วิธีสอนเจ้าของเลย มันจะผ่านส่วนตัวเนี่ยเรนกลเป็นเรื่องสอนจาของผ่านทังสมาธิแบบนั้นเป็นสัมาทิฏฐิแบบนี้เปลี่ยนได้มันจะผ่านไปสัมาทิฏฐิแบบเห็นในม็ดอเพราะเห็นในรรากาศเมื่อกำลังมันกระเ้าะมันก็เป็นมากเลยตีลูกกากระปั้นเดินนกกมเนี่ยอาการกรบปั้นได้ซ้ำนั่นแหละมื่อกำลังกระเอาออกมาคือเขาแต่มาพี่ชนะอานิจจังของเขาโอ้สมาธิสันนิยยังด้ยเนี่ยอำนาจอานิจจังอยไรเนี่อนออก ยืออำนาจอะไนี่จังครับนุ้ยืออำนาจทุกครั้งย่างละเอียดก็นีื้ออำนาจอำนาตายย่างละเอียดคือกันเหตุที่สั่นมันก็จะเป็นเหตุเี่ยวกหาตื่นจริงค่ะเนี่ยหาตื่นของทางหลายนิมิตนิ่อยนิมิตแปลว่าเครืหมายเนหมายบไหนมันก็เป็นนิมิตบนเนี่หมายเทพโลกเป็นนิมิตเทโลกหมายบไหนก็เป็นนิมิตบนหันนี้พลัพ่ามันว่ามันหมายเลย่มันเนี่ยหมาพัน หมายเลย้ก็บวัตถุภายในภาคคือทีเขาเหมาคือที่มีเขาเหมาเฉี่มีอยูนิเซนคือี่ยบมผ่าปิดๆด้วสเศษของันแนวโอ้โดนเติบอยู่แล้วล่ะเจีบแปดมือของข้าวนะจากผานไปล้วค่อยเบาลงเจีบแปมือจะเป็นป่วยมาโดนแล้วอ่ะเผวยมันจกซิฟมือแล้วอ่ะ บอกใหม่บอกใหม่พี่บายย่ายเกก น, นี่่ออกว่าถันน้าขี้แหลมื่อน้ามันร้อนออกบอัสออกมาเลยยุบมาอีกออกอีกนูมาอีกออกอีกตีงเ ม, มื่อไรบอกใหม่เนี่ยเป็นลอยบัดเป็นยยไรเน่ยเธอเนี่ยนี่นึงเป็นยุมตีนหมามาเดี๋ยวพานมาเขาแห้งเลยเดี๋ยนี้แ ก, กี้นั่นพอบัสตมม้มน้ำาูเมอร์นี่ ชั้นนามซุกทุ่มเลยไข่ค้างเนียเอยเป็นโรคแนวอื่นชั้นน้ามซุกก็หน้ามมันซุกเย็ยนก็ย่าหัวมันพวกไข่ก็จะเชี่ยงหางกับของเยอะไอ้ขี้รวยปีนด้เพียรสองเพียร่ราะขาดแล้วถึงว่าเป็นโรคเนื้ออื่ น, นเป็นโรคไม่ใจเป็นโรคไตเลือดร่างกายนี่มันมีทุกมากมีถอดมากเศ้ากับโรคอันนึงม่าเป็นเอาอันหนึ่งมาก อืมผู้ดี่วายอย่างไรไม่ผู้หายเราหายจากโลกหายจากพระละหันผู้เดียวละเมื่อได้มาเกิดแก้แ็บตายอีกพวกเมืม่น อ, อนั้นมิต่บาลเท่าไปเพื่อนเขาลงพยาบาลคแคกละเนื่อนพระละหั น, น, นลัก้าโลกหายคักแล้วเพื่อนพยาบาจัพยพญานาจิเรตเขาลงพยาบาแล้วแล้วเส็จแล้วออกแล้ว ออกพันศาแลีวออกพันศาจากกิเลสแจ่งไปเขาพันษาพันิพานบอกแค่เรือขันเ่ทีนี้ที่ว่าออกพันศาจากกิเลสกัมเรียนแจ้งไปเขาพันษาพันิพานพระอริยเจ้าเพลิดเงเพิดใส้เนลิดเพลียงจจ้ามู้โตมันนับต่างลานโกรธตื่อตี้วเสลียวเตี้ยวเว็นเพียง ตัวที่ประมาทจของพูหญิงก็ไปพระนพาดอคือกันน้าประชาบดีขัตะมีนี่นี่จะญาเมรตัวไปพระนี่พานหน้าปตาจรามันเหญาเมร์ทั้งนั้นพูดเจ้าของญ้าพ่อพระมหากตปักกับญ้าพ่อคือหันพรอืพยรถยมันหญ้าพ่อคือหังบอกคนหญ้าลูกกับนีญ้าบาก็มี่านมกับี นีมัดทุกสันทุกไหวพระชูพระนรพานคนทุกคกนจนคนเศร้าให้เศ้าหน้าคนเสดสีกระดุมพี่ค้นพอขาพอกเจ้าพวกหน้ายีคนทุกสันทุกวันละเลยไม่ได้เลือกสันวันนะ่ะเขาชูพระนาพานไปเลยหมอก็ไม่เห็นไม่ใช่ในต่นอมหาสมุทรตีมหาสมุทรคนร้อยโกรธมหาสมุทรเปอย่งนับเป็นต๊ สามนมากนี่ยมหาสมุทรหนึ่งเม็ดหิเม็ดทรายกําหนึ่งถ้าออมานับจักหนึ่งกยังีดมดเสร็จโวสีมหาสมุทรลอยโขดมหาสมุทรขรายไปไหนชุ่เขาสูุ่มไนควาชุมยั่งยนีก็ยั่งร้ายก็นั่นไงพี่รอตําแหน่งห้องจีแกะยังม่นี้รอตําแหน่งท่านอะไกับมังรเนี่เดี๋วมากเป็นค้นมดอะฝวกม่นีงมาปีนหอยปแล้ววัน อันมูเฮ้านี่ยปนไปขึ้นกันน pe ั่นหละเคยได้เป็นพ่อหมาแม่หมาก็มี่เคยได้พ่อหมาเม่หมาก็มี่เห็นว่าั่นว่าเคยได้เป็นป่าเป็นลุงเคยได้เป็นเอียงสารพัดง่วคก็ไปเขาทรัพที่เส่าทองเส่าทัพเสือกรัพย์ข้าทรัพยไว้เนี่ยหน้าดับเนีบินบินเน่อากาศมูเฮ้าได้เป็นมากมื่แล้วเนี่ยตลอดท่ไปที่่าโลกก็มาโลกมูเฮ้าก็เคยได้ไปแต่ตลอดเสริมหมอล๊หกมาเฮ้ขี่มูเฮ้ามาพอแห้งแล้วเนี่ยจะนับบาะไว้เนก ถ้ะซาทังซาลาวันเถอะ้ามันไปมัดคุบอลเหรฮะแต่ว่ามันทำมีมนไปฮค่นี่ติตั้งแกไปพระนิพพานแค่นี้มันไปเบิร์ดเหรอชุ่มือว่ะมองท่านยีิวัตถกาพุทธเจ้าเทศไว้แหละโป่งโป่งโป่ไวแหไปมัดคุบอลเหอมัวฮะยาสวาพระท่านไปมันถิแม่นของเก่ามันถิ่นแม่ของใหม่เรอของเก่าทังนั้นเ็นของวยเกิดแก้เก็บตายเป็นของใหม่หรของเก่ามัวฮะก็เกิดแก้เก็บตายมาแล้ว เป็นยังกับผู้ผลแก้เจ็บผลตายกันาเป็นอื่นเป็นพ่อมเป็นพย่อมพระการเปสรุกกระบารทั้งสี่พา้ผลแก้เก็บตายวันมานัตถุนะวิโยกพัาแต่ของที่รับที่ชอบใจทั้งนั้นเทวดาสิ่พัดผ่าเมื่อสวรรค์มากาโยตุวันโนมี่กายอันชาวมองเมื่อละไข้ไอร้ายออกจากตนแล้ออกจากรักแหลเทวุธเทวดา ดอกไม้ที่ตนค่อยทัดค่อยทงก็เหี่ยวแหงเสามองเสียเมื่อลไข่ก็ไหลออกจากจากตนจากโสมเชือพันวัณณะก็บเสาม้อเชื้อศาสตร์อาสนะกับไข่ห่อนเหงไ่ใที่เป็นของศิลเ์ื่อาวุธทวดาองไม้เป็นแค่เจ้าในลกมาเกิดในเมืองก้นอนกันเป็นหูเป็นหงเป็นเต่าเป็นหมูเป้นม้าเป็นเพ็รเป็นไก่เป็นคนหู้นวกตาบอดแน่ละห่าหัวชาบก็มี ลารพัดจะเปลี่ยนไปเพราะยังเป็นโรคกี่อยู่เลยถ้ามันไหนถ้ามัดวงไดนเนะาะคือว่าว่าไห้นี้จะเที่วบุษเที่ยวลาลงไปนี่งุ ป, ปติที่ตาจุ ป, ปติที่ตาเที่ยวบุษจะตายในวันทอนเทียบแต่ว่งงางันวายเจ้าจก็จะตายในวันทอนเทียบหนึ่งและว ขันเจ้าตายแร้วก็จักได้เป็นหูเป็นเหงเป็นเตา่าเป็นหมูเป็นห ม, เนหมาเป็นคนหมูหมวกตา บ, บอดก็หมานว่าได้หาห้อยสัตวแถบีนี้แน่น่ามาแทนหนังสือภาคอีสานได้ค่อยประเทศอยู่นี่หน่อยแต่ว่งอันว่าทานยจงไปหาพระพุทธเจ้านันเถื่อนพระพุทธเจ้ากำลังเทศเอามาแมนบ้านด่าอยู่สันดาวดึง เชอวุโตนังกมหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าโตจงพิจหน้าพาะวนาเคืงเงเขาเนอะอพิจารณาสักกระตัวอพุธัตนั่งทัศงวรงร่างพิจหน้าโดยใจก้งพานณาพุทโธนั่นเองพิ่านณาธรมโอสังโฆเงเงเขาพก่าาพุทโธเลงเลงเขาเนอชื่อวุฒิโต้หนังก็เลยพรวนาเลงเลงเขา ตนอนไรบ่ได้ล่องมาเท่าเดียวนี่สินวะว่าพ่ออมพระศรียอดเมตตาองสินะเป็นท้าววกพระศรียอดเมตตาองค์นั่นเทพบุตรองค์นั้นลงมากลงมากนี่สินวะว่าเป็นแ ห, งห่งเป็นแห่งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นมาเป็นคนหุ่นบวกตาบอดเนี่ยเรหาหหอยชาสตร์หอยศาสตร์ด้วยกำยังไหนเนาะก็สินวะวมาเป็นท่าน ตกอนวันเคลื่อไปเอาไข่นกกล้หลูกนกให้พัดกจากแม่แห่งเขาตัดสมาเหตุดังนั้นจึงเกี่ยวว่าเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่แม่เราหาหอยหายหอยศาสตร์ไว้ท่านที่จะเป็นคนหูหนวกตาบอดน่พัตกรวันนั้นเทศศาสตรกรผุ น, นผเชวุฒโอนตรงนี้โอนตรงตนเนี่ยเห็นพระเจ้ากเขาสมไปบินทบบาลเลยทั้บโมโหโมเห็นนะท่น เราก็ยังมาเป็นตาบอดขาห้อยซากนะครับจนทีเป็นเที่ยวบุตรล้วก็ยังสิได้มาเป็นคนตาบอด อ, อยู่นะพราะกรรมว่นมดว่า น, นเห็นึงไจึงเนีนเป็นเทีวบุตรไม่ได้จากตายนึกถึงกุศล ท, ทิ้งธาน้องโตล้วก็เล่นไปทังนั้นแลว้วนี่มดอันนั้นะมันมสิได้มาลงใสมากรรมเก้าอันนี้อเ น, นี่ยว่าเทวบุตรตัวนั้นเป็นคนหูหนวกขาห้อยซากที่เจกันเพรกรรมยังไรนะครับเพราะกรรมอันไหน กาม wow. ที่เขาไปในวัดแม่ว่าแล้วมันว่าจะไปฟังเทพมันเลยมาฟังเวลาพระเทศพือมัมกระบอกอื่นพุ่มพิมพ์มาสั่น ม, ม, มาให้มันกบเสียงเพลินเหตุนั้นสั่นมันจะคอยจะเป็นค้นหูหนวกหาหอยศาสติที่เจี๊กกันโอยถ้าอันไหหลวงไหนเสียมากบอกให้เป็นเทพเป็นผีลงไปมนุษย์โลกนี่น่าสั่นก็มีได้หลวงพาวหน้าพุทโธเองาั่นพ่หน้าพุทโธังเรีเขาเน่าโตาั่นเทยววัดองค์นันเลยพ่นาพุทโธังเนเขา กะยัม่มนุษยหาในโลงมากทัพนี้นั่นแท้บุทแท้ธวรมดาอยู่ทั้งฝุ่นทั้งบุญต่อเพื่อจะว่าอยากลงมากเกิดน่ะมนุษย์โลกนายเป็นงรสินั่นมันขงเหรียญนีมูตูวเห็นเพิ่นไปบินทบาตขันกนลไส่ราอะไรออกไปไซส์ขนมีใส่พอนื้ละท่านเป็นอรไรบ่ มันเป็นบาปตาบอดเรื่องเพลิพเจลียที่ศาลเพิ่มที่ศาลขายังไม่เ อ, ก, อกโขทำไม่จะเกาะมันถปโต๊ไก่ตพดเพมันก็เป็นเพดต๊ใจก่ไว เมื่ออยากเปเพเกับพาะวานาเขาจะรู้มือห้องนี่ทราบนี่ทราแก่เพลดด่าวนาจะจะเป็นพระอรหารนผลจะไปหาพระละหานผนี่คือว่าจไปหาเพิดเท้าพีมอห้นะี้เหื่อมันก็คัดหัวเหือให้คือฟังเราเว้ย ขี้รถก็ขึ้นันขี้เกียรก็ขึ้นห่นขี้ตามก็เยอะขี้มากการปวยมันก็พอไปเอาเลยเพราะมันถึงน้ำเลยไหลไหลพัดไม่พัดไหลไปตาไปเยอมไม่ผู้ขัดถ่ายหวัดงอเป็นผู่ายตามก็เยอมที่มากการปวดบวมไม่ราไม่น้อยดัดเปล่งมัน ทามันลงไปหมวนหกนั่นสิโดนเติบอยู่ใหกนกูจิเดโฟโร้นมากห้องเก่อยจ่อยว่ากูหน้าเล้าเล็กแทบตาได้เสียบใส่ห้องใส่ใจว่ากูหน้าเอานี่สงสารเลยยาผาทันประมาทเลยเห็นเกาแล้วยาสมมัยเลิ่งเลิ่งเด้อไอ้นีหน่หม้กลองมาเดิอดชูบกับพวกเขาม่ยนัน ออกมาในกลางแก้งว่าที่ไหนอยูย่บนดีเป็นฝนห อ, อกลาบตกลงมาใส่เอาละผัดทุกในมนุษย์กระซิมนี่แหละทุกในเมืองผีทุกในเมือง ม, อมรก็แห้งๆไปก็นี่ทุกในทัพย์เอรสารก็ไปก้อนนี้ทุกท่านในทุกในทรัพย์เอรสารคือฉันเขาอแท่งข้ อ, ขอมูลในี่ณาจักมันทุกว่านั้นีงมองอี้นียุก่กระแทกนี่สูงหนึมือนึงมือนึ ง, นงตายจากตัวแตว่ในประเทศไทยห้องนี้ มันแตงลานโตผนบอกเอาคนหกสิบล้านเอาหกสิบข้นกินหมูหมืโตัวหนึ่งหรอเอา้ามันถิบว่ามันมื่อแล้วลานโตผมบนับแต่เอื่อมมานับหนิว่านับจะหมูลรอเอา้างอกขอยังมานับปูปลาก็ยังมานับหนิว่าสืว่ามืออแล้วลานโตผมบอกรักจังหวัดนว่าสั่งรักอำเภอขั้น ซุบ ข, ขาอญญา ข, ขาอนุญาตปนันต์บอขาอนุญาตสุปนันต์เขาตายไปเป็นหมูได้สิ่งดใดแค่นั่นเขาจะตายปปเป็นปูเป็นปลามื้อาตายไปต้มมลหกมุ่นยึดมลหกแล้วมาเป็น อ, น, น, อนอีกมือ น, นั่นผลเขาจำไม่หลายเอาโคังเป็นเพ่น ตายไปแล้วเกิดไปคนอนเองตายไปแล้วเกิดไปคนองเห ง, ยยงั้นไข้ด้วยเราบอกจับคนทีไปเป็นยังเจ้าอีธานน่นเรอนีต้ตกตได้ลงห่มคาพ่อเมียนคนละหลวงพ่อปุ่ยทั้งหลังทําบุนให้พอแสนไก่ร้านนูดตามกัเยอมขี้มากการกล้วยบุญกลวยม้อนถึงแสดงว่าตายไปใหม่นี่เอาไว้กี่จมยูดังลืกุศลจะไปหอดได้หอดคัน หมดได้ในหันผิดขวงแต่นหน้าหลังเพิ่มโตยืดสมือท่านพเจ้าสร้างสอนถึงคนหายจะเสียใจไว้นําเพิินหลังเพิ่มโตยืดสมือท่านพระเจ้าสร้างสอนคนเฮาจะมีชีวิตอยู่ใส่ไให้มันยังแรนไปหน้าเสียตายแล้วสิหอังให้ผู้ยุตข้างหลังท้าบุญหายก็แสนไกล่ล้านโยนตามขย้มที่หมากขันกล้วยบุนสวยม้อนเถื่ ตาแต่ใหม่ในในเนี่ยน่เอาไว้กี่จมอยู่ดังลือฝุดฝนจะปต่หอดได้นหันกีดขวางแผนหน้าสมคนรแล้วนี่ที่ตาจดจอดเมื่อหอดนอีเสวยที่ข่วนคนถอนเจ้าเลยอะ่รห่างอีว่าง <c oughs> ทุกขโมทงทั้งกอกไว้ ช, ชุกคุกุกคนกน้อเนี่ยไอคนทุกในวัดต้องสารมือห่อไอ้มาท่องเที่ยวอีก คุณเรียนฟังออกไหมออกบ้างไม่ออกบ้างออกบ้างไม่ออกบ้า ง, า ง, อ, อ, างอันนี้มันเจ็ดเที่ยงหท่านสามเป็นที่ที่สามลยจะมาปฏิบัติในี่ที่สามนับถึงเลียนหนังสือมันกับ4ี่ที่ี่ี่ี่ห้ามแล้ว ถ้มือโตสักกีบาน่ไหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดนั่นนั้นใช้แบกยังมายังขอไปเว้ยพระพระพระพระพระขึ้นมาตะก่อนเว้ยพระพะพระพระพะพขึ้นมาตะก้อนขึ้นมาชั้นอีหยังตะก้อนมา อ ไ, อ, ไ, อ, ไ, อ, ไอ้ไอยให้ยังหน้าเขาหอกกามาดิ้หม้กมากา